เอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สร้างสรรค์นและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีเพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี พอรารัด olhos แพศพธิ์บรมราชาพิเศค Guid Famau Gurrazi พ, รพอรารัด olhosiais ก็เข้ามาที่สักรุณที่ขอมาที่สลบัติพอรารัด classrooms ที่พิธีสำคัญในการเสด็จถเธิงท ewama ระ인지 oren สมบัตเปนพระมาหากศัท秀함 аров ที่สุ δ Wars ปรา خر ารัดหับลิจึงรวมกันเข้าวเจ้าทุรหะอ่องทุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเวอร์วาชิระกล้าวเจาอย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชนละมากในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศนี้พระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย M.U.T.T. ฟาร์มช็อปยิ น, ยนดีต้อนรั บ, รบค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดนักปละบอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้ส า, การกันบูดเนื้อวัวะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนมสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 และสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกสอบถามเพิเ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดส่วนใหม่พร้อมให้ประการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 เลสคอร์ดออนเรดิโอช่วงกาชาท์นิวส์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอชโลกนะคะช่วงกาชาดนิวส์วันนี้เลยนำข่าวดีจากศูนย์วิจัยโรคเอช ส, สภากาชาดไทยมาฝากกันค่ะหน่วยเพลเวนชั่นศูนย์วิจัยโรคเอช ส, สภากาชาดไทยได้รับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นได้านวิชาการสารเสพติดแอลกอฮอล์และโรคเอชจากการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณาสุข ครั้งที่สิบเก้าประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีศาสตราจารกิติคุณในายแพทย์ปราพันพานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ภาการชาไทยเป็นผู้รับมอบโล่รางวัลค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมแมนดารินบอลลูมนะคะโรงแรมแมนดารินสามย่านกรุงเทพค่ะ หากคุณผู้ฟังได้รับฟังรายการของเราเป็นประจำนะคะก็จะเห็นได้ว่าสุวิจัยโรคเอชพาร์กาชาตไทยมีผลงานแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ มาที่ข่าวเยาวชนกันบ้างนะคะกับโครงการสันหากรรมุลบุตรกุลธิดากาชาติประจำปี2562ค่ะของสำนัก ง, งานอยุวากาชาติสภาการชาติไทยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกาชาติประจำปี2562ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะถึงแม้ว่างานกาชาติปีนี้จะจบลงแล้วนะคะแต่ว่าภารกิจของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นกุลบุตรและก็ะะกุลธิดากาชาติประจำปีนี้ยังไม่จบนะคะที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนจิตอาสาสภาการชาติไทยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและก็ผู้ได้โอกาส โดยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภากาชาติไทยนะคะแล้วก็ชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อขยายเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาติไทยในกลุ่มเยาวชนตามนโยบายของอาส า, าสมัครสภากาชาติไทยค่ะการประกวดในปีนี้นะคะนับเป็นวาระพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภ์พกสภากาชาติไทยโดยมีพิธีประกาศผลผู้ที่ได้ยรับตำแหน่งไปเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งบุญบุญ และกุลธิดาการชาติก็ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพ ร, ะรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผูพ้อำนวยการสภาการชาติไทยในพิธีเปิดงานการชาติรับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาอีกด้วยค่ะ ปีนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัญหาเพื่อความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยนะคะเช่นการขยายอายุนะคะจากสิบแปดถึงยี่สิบห้าปีนะคะเป็นสิบแปดถึงสามสิบปีค่ะแล้วก็การสัญหานะคะซึ่งเดิมเป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนะคะเปลี่ยนเป็นนะคะการเข้าค่ายกลางวันค่ะสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญนะคะของกุลบทและก็กุลธิดาการชาติเลยก็คือสมาร์ตสตอร์นค่ะแล้วก็สามารถนั่นเองค่ะ มีเยาไวชนผ่านการสรรหารอบสัมภาษณ์หนึ่งร้อยคนค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาติได้แก่นายไกรสาธรักษ์จากวชิราวุธวิทยาลัยค่ะรางวัลกุลธิดากาชาติได้แก่นางสาว ส, าสัชสิสุริยะจันทราทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองกุลบุตรกาชาดได้แก่นายเพียราชาติติยาสุพนจิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตและรางวัลรองกุลธิดากาชาดได้แก่นาสาวชนามาต์เอี่ยมพานิชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะ อีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินค่ะวันที่สี่ธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้นะคะตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะก็จะจัดงานเสยวนาการให้ความรู้นะคะแก่ประชาชนนะคะเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็ตับค่ะเป็นครั้งที่หกนะคะในหัวข้อเลือกกินอย่างไรดีต่อใจดีต่อทางเดินอาหารนะคะโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดสี่ร้อยที่นั่งค่ะ จะจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่นะคะอาคารภูมิศรีมังคลานุสร์ชั้น12ค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ022564000ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะในช่วงสนทนารอบรัวค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 ワンバッティンパイラウトンソンマーホーパンダウスソングウォータンカントンパイダウォータンカットンテンチャイフィーウォーファーิตมาจากที่ใด パのハー。 「やきゅうちゅうめんおう t ごめん、ラーパンパイラティー。 ออนเลดีโอช่วงสนทนารอบรั้วในช่วงสนทนารอบรั้ววันนี้นะคะเราก็นำเรื่องของการทำงานโดยการใช้เครื่องมือในการตอบโต้ภัยพิบัติของสหาพันธ์สหประชาชาติและสหเวงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือว่า IFRC มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ ซึ่งอาศัยสี่กลไกหลักด้วยกันนะคะได้แก่วระบบการจัดการข้อมูลเงินทุนเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ เริ่มจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัตินะคะโดยใช้ระบบ Disaster Management Information System หรือว่า DMIS ค่ะเพื่อรับมือกับภัยพิบัติซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ที่ https colon slash slash go dot ifrc dot org ค่ะ ซึ่งมีวถั incarcerated ประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเก่ยวกับ proud pibadian หรือว่าการรีภ่ายที่สามารถเขาถือได้ทั่วโลกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องรับ replied feedback ภาวะจุกเชิญต่างต่างมีข้อมูลสำคัญ��세่ง sehn ข้อมูลกลุ่มประชาก่อนที่ต้องการความช่วยเหลือความต้องการเงินทุนความต้องการหน่อยแพทศจุกเชิญ สองค่ะกองทุนฉุกเฉินเพื่อบันเทาภัยพิบัตินะคะการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือจากสงครามต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมากค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ IFRC ค่ะได้มีการจัด ก, การกองทุนฉุกเฉินนะคะเพื่อบันเทาภัยพิบตัติหรือ Disaster Relief Emergency Fund โดยมีการอนุมัติที่รวดเร็วค่ะเพื่อตอบสนองภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสามารถใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นได้นะคะหากต้องรับมือนะคะกับ กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดก็สามารถเบิกเงินทุนนะคะดังกล่าวได้นะคะภายในเจ็ดวันหลังเกิดภัยพิบัติค่ะแล้วก็จะอนุมัตินะคะภายในสิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการร้องขอนั่นเองค่ะแต่จะต้องใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากภัยพิบัติหรือว่าวิกฤตระดับกลางถึงระดับใหญ่แล้วก็ต้องการเงินทุนที่มากขึ้นเนี่ยจะต้องเปิดรับเงินทุนจากภาคส่วนต่างๆค่ะ สามทีมตอบโต้ภัยพิบัติระดับภูมิภาคหรือ Regional Disaster Response Team หรือว่า RDRT นะคะซึ่งไอเอฟซี C, พยายามสร้างเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่การชาติในภูมิภาคในการตอบโต้ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการอบรมทั้งในระดับประเทศและก็ระดับภูมิภาคค่ะ มีความรวดเร็วในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ภายในยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ด้านสุขภาพอาหารโรคติดต่อต่า ง, างด้านจิตอาสาน้ำและสุขอนามัยรวมไปถึงด้านการเงินและก็ทุนการค่ะ สี่นะคะทีมประสานการประเมิอนภาคสนามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะต้องมีการประเมิอนสถานการณ์ที่เร่งด่วนค่ะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วย ง, งานต่างๆมากมายค่ะทีมประสานการประเมิอนภาคสนามนะคะ Field Assessment Coordination Team ก็จะช่วยให้การทำงานของกักชาติประเทศนานๆสามารถเริ่มงานได้ในเวลาอันสั้นค่ะเพื่อการวางแผนในระยะยาวซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์นะคะการบรรเทาทุกข์ด้านสุขภาพอาหารโรคติดต่อน้ำแล้วก็สุขภาพ อนมามัยการเงินเพื่อความพร้อมนะคะทางด้านภาษาต้องได้รับการอบรมให้เป็นสมาชิกทีมประสานการประเมินภาคสนามเป็นเวลาสิบสองวันก่อนลงพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้นะคะภายในสิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันและปฏิบัติงานได้เป็นเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์นั่นเองค่ะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการชาติในประเทศที่เกิดภัยก็จะส่งคำขอไปอยัาง IFRC นะคะและสำนักงานของ IFRC ก็จะติดต่อสมาชิกทีมประสานการประเมินภาคสนามทั่วโลกด้วยระบบอัตรโนมัติค่ะและขอให้ปฏิบัติงานภายใน12ถึง24ชั่วโมงสำนักเลขาของ IFRC ก็จะจัดตั้งทีมและก็ส่งทีมลงพื้นที่ประสบภัยทันทีเพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การชาติของประเทศนั้นๆค่ะทีมตอบโต้ภัยพิบัติระดับภูมิภาคนะคะ ADRT และ、IC CRC ในประเทศนานๆจะเป็นผู้ประสาร น, นะฮะกับเจ้าหน้าที่รัดทองถิ่นนะคะเช่น UN แล้วก็ NGO ต่างๆค่ะที่มีประสารการประเมือนภาคสนามนะคะจะเป็นผู้ประเมือนสถานการณ์แล้วก็ประเมือนความต้องการเล่งดวนที่สุดด้วยค่ะ และห้าหน่วยตอบสนองฉุกเฉินหรือ Emergency Response Units ชื่อย่อนะคะ ERUs คือหน่วยที่มารองรับความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือเฉพาะด้านเมื่อระบบการช่วยเหลือภายในประเทศถูกทำลายล้มเหลวหรือว่ามีความต้องการมากจนไม่เพียงพอค่ะซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้มากที่สุดสี่เดือนโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและก็อุปกรณ์ที่สามารถลงพื้นที่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วยี่สิบสี่ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงค่ะ นี่คือคกลไกและก็เครื่องมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสหาพันธ์สหประชาชาติและสภาเสือวงเดินแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวของสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะรายการ Resource on Radio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 ที่นี่เราวังจำนายผลผลิตทางการเกศตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดนักบอดไพยใส่กรอกไหร้แป้งไหร้สารกันบูตรเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เหตุดน้องสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 ファークのツーターはワイン、ピ 繁華来、生命満載、その夜の夜に沸く花々木畔年差、昧く変態、その夏に沸い、その夏に沸く、 めわぶらりんぱいのつたおわいのんじゅんたいたむへらをたんはめりきりたぱい 何 เอสคอร์ดออนเรดิโอช่วงความรู้คู่สุขภาพคุณผู้ฟังคะช่วงความรู้คู่สุขภาพในวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับอาการตะคิวกันค่ะ ตะคริวนะคะเป็นอาการที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวอย่างรุนแรงก็ทำให้มีอาการปวดมากโดยการเป็นตะคริวนั้นไม่นานก็จะหายไปค่ะแต่ว่าความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานนี้หลายคนคงมีคำถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นตะคริว ตะคิวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดกับกล้ามเนื้อต้นขาหรือว่า น, น่องนะคะเมื่อเป็นแล้วนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อน่องนะคะเกิดการหดเกร็งอย่างรุนแรงค่ะโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะขณะหรือหลังออกกำลังกายนะคะหรือมีการยืนหรือเดินนานกว่าปกติแต่บางคนก็เกิดขณะนอนได้เช่นกันค่ะ สาเหตุของการเกิดตะคิวนะคะเกิดจากการขาดน้ำหรือว่าภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลค่ะซึ่งอาจเกิดการเจ็บป่วยบางอย่างที่ทำให้เกลือแร่นั้นเสียสมดุลอย่างเช่นท้องร่วงอาจเจียนเสี่ยเงเหงื่อมากหรือทานอาหารที่ไม่สมดุลหรือเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือว่าได้อรับบาดเจ็บอย่างเช่นการเดินหรือว่ายืนนานกว่าปกติการออกกำลังกายอย่างหนักเป็นต้นค่ะ แม้สาเหตุของการเกิดตะคิวนะคะจะมีได้หลายอย่างค่ะแต่ที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยการหมั่นยืดกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้ออ่อนร้าหรือว่าได้รับบาดเจ็บที่บริเวณน่องนั่นเองค่ะการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดตะคิวนะคะจึงควรปรับแก้ที่สามสาเหตุนี้ก่อนโดยการดื่มน้ำให้เพียงพอสองถึงสามลิตรต่อวันดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคหรือหากมีโรคก็ไปพบแพทย์ค่ะ และเมื่อเป็นตะคิวนะคะแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้นะคะยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคิวด้วยตัวเองค่ะหรือให้คนอื่นช่วยยืดนะคะโดยการนั่งเหยียดเท้าที่เป็นตะคิวไปด้านหน้าค่ะกระดกข้อเท้าขึ้นใช้มือจับที่ปลายเท้าเหยียดจนหายเป็นตะคิวค่ะเมื่อกล้ามเนื้อหายกเกร็งแล้วนะคะก็ให้นวดกล้ามเนื้อเพื่อให้ใคลายตัวอาจจะทายาแช่น้ำอุ่นหรือว่าประครบอุ่นก็นได้ค่ะ สำหรับวิธียืดกล้ามเนื้อน้องนะคะเพื่อผ่อนคลายและก็ป้องกันอาการตะคิวคุณผู้ฟังสามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะถ้าอยู่ใกล้กำแพงค่ะคือให้เรานะคะยืนข้างกำแพงหนึ่งช่วงแขนค่ะมือยันกำแพงแขนเหยียดตรงถอยขาที่ต้องการยืดไปทางด้านหลังนะคะวางเท้านะคะบนพื้นนะคะทั้งเท้าแล้วก็เข่านะคะ หน้างอเล็กน้อยค่ะส่วนเข่าหลังตึงลำตัวตั้งตรงค่ะจะทำให้รู้สึกตึงบริเวณก้ามเนื้อน่องแต่ถ้าไม่รู้สึกตึงนะคะให้ถอยหลังนะคะอีกสักเล็กน้อยนะคะจนรู้สึกว่ามันตึงนะคะแล้วก็ให้ค้างไว้ประมาณสิบวินาทีค่ะ หรือวางเท้าบนแท่นหรือว่าขั้นบันไดด้วยครึ่งเท้านะคะของข้างที่ต้องการยืดกล้ามเนื้องอเขา่าจากนั้นเคลื่อนส้นเท้าลงด้านล่างจนรู้สึกถึงความตึงบริเวณน่องค่ะค้างเอาไว้เป็นเวลาสิบวินาทีนะคะ อีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือการนอนราบนะคะยกขาข้างที่ต้องการยืดขึ้นนะคะให้ตั้งฉากกับพื้นค่ะวางขาอีกข้างหนึ่งนะคะราบกับพื้นค่ะใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะเกี่ยวที่ฝ่าเท้าข้างที่ยกมือดึงผ้าไว้นะคะจนรู้สึกถึงความตึงบริเวณน่องค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีค่ะ ต่อไปหากพระเผชิญหน้ากับการเป็นตะคิวด้วยตัวเองหรือว่าพบเห็นผู้อื่นเป็นตะคิวนะคะก็สามารถช่วยให้อาการเจ็บปวดที่เกิดจากตะคิวนั้นลดลงหรือว่าดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับสาระจากสภากาชาติไทยได้ใหม่เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาต่าไทยและมหาวิทยายลายเทคโนโลโยีราชมงคลทัญญาวุรีมหาวิทยายลายนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม